สิบเจ็ดขุทธกวัตถุวิพังหนึ่งเอกมามติกาแปดร้อยสามสิบสองหนึ่งชาติมัทะหมายถึงความเมาเพราะอาศัยชาติสองโคตรมทะหมายถึงความเมาเพราะอาศัยโคต 3. สามอารคยมัทะ หมายถึงความเมาในความไม่มีโรค 4. โยบพนมทะหมายถึงความเมาในความเป็นหนุ่มสาว 5. ชีวิตมททหมายถึงความเมาในชีวิต 6. ลาพมททหมายถึงความเมาในลาเจสการามทะหมายถึงความเมาในสการะ 8. ครุการะมะทะหมายถึงความเมาในความเคารพ 9. ปุเรกขาระมะทะความหมายถึงความเมาในความเป็นหัวหน้า 10. ปริวาระมะทะหมายถึงความเมาในบริวาร 11. โภคามะทะหมายถึงความเมาในโภคัดซับ๑๒วันนะมะทะ หมายถึงความเมาเพราะอาศัยผิวพันธุ์และคุณความดีสิบสามสุตตามัทะหมายถึงความเมาในการสดับตรับฟังสิบสี่ปฏิพาณมัทะหมายถึงความเมาในปฏิพานสิบห้ารัตตัญยุมัทะหมายถึงความเมาในความเป็นผู้รัตตัญยุสิบปิณฑปาติกะมัททะ หมายถึงความเมาในการถือเที่ยวบินธบัตเป็นวัด17อนะวัญญาตะมะทะหมายถึงความเมาเพราะไม่ถูกใครดูหมิน่น18อิริยาปัตธรมะทะหมายถึงความเมาในอิริยาบท19อิทธิมะทะหมายถึงความเมาในฤทธิ์20 ยสามัต t หมายถึงความเมาในยศ21่สีละมทะหมายถึงความเมาในศีล22ชานมะมัตหมายถึงความเมาในฌาน23่สิบปามัตหมายถึงความเมาในศิลปะ24่สอรโรหมทะหมายถึงความเมาในความมีสวดทรงสูง25ปริณาหมทะ หมายถึงความเมาในความมีทรวดทรงสันทัดน์26สันธานมทะหมายถึงความเมาในความมีทรวดทรงงาม27ปาริปูริมทะหมายถึงความเมาในความมีร่างกายสมบูรณ์28มทะหมายถึงความเมา29ประมาทะหมายถึงความประมาท30ส สามพะหมายถึงความหัวดือ้อสารัมพะหมายถึงความแข่งดี32อติริชตาหมายถึงความอยากได้เกินปริมาณสามหิจชตาหมายถึงความมักมากสาปาปิจชตาหมายถึงความปรารถนาลามก 35. สิบค้างะหมายถึงความยั่วยวน 36. ติตินตินะการพูดเกียรติกัน 37. จาปะละยะหมายถึงการชอบตกแต่ง 38. มสอสภาคบุตติหมายถึงความประพฤติไม่เหมาะสม 39. อารติ หมายถึงความไม่ยินดี40ตันทีหมายถึงความโงกง่วง 41. วิชัมพิตาหมายถึงความบิดกาย 42. 42พัตตสัมมาทะหมายถึงความเมาในอาหาร 43. 43เจตโสลีนัตตะหมายถึงความหดหู่จิต 44. กูหันนาหมายถึงความหลอกลวง 45. ลบรัปปนาหมายถึงการพูดประจบ 46. เนมิตติกาตาหมายถึงการทำนิมิต 47. ิเนิเปศิกตาหมายถึงการพูดปบล้างความดีของคนอื่น 48. ลาเพนลาพังนิชิกิงสนตาหมายถึงการแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบสีบความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาห0สิ 50, ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา 51. อความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา 52. เป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาถือตัวว่าเลิศ ก, กว่าเขา 5้าิบสาเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาห้าสิบสเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว <Sh> <with> ่าด้อยกว่าเขาห้าสิบห้าเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขาห้าิบหเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขาห้าิบเเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา ห้ 58, เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา59เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา60สเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาหกอมานะหมายถึงความถือตัว62อติมานะความดูหมิ่นผู้อื่น63 มานาติมานะความเย่อหยิ่งถือตัว 64. โอมานะความดูหมิ่นตนเอง 65. ส้าอธิมานะความสำคัญว่าได้บรรลุ 66. อัศมิมานะความสำคัญว่ามีตัวตน 67. ิมิจฉามานะความถือตัวผิด 68. ยาติวิตักกะ ความตรึกถึงญากบชนะปทะวิต ก, กะความตรึกถึงชนบท 70. อมาราวิต ก, กะความตรึกเพื่อเอาตัวรอด 71. ปรานุทยตาปฏิสังยุตติต ก, กะความตรึกเกี่ยวด้วยความเอ็นดูผู้อื่น 72. ลาพสกาละสิโลกปฏิสังยุตตวิตรกะความตรึกเกี่ยวด้วยลาพสการะและชื่อเสียง73อนะวัญยญติปฏิสังยุตตะวิตรกะความตรึกเกี่ยวด้วยความไม่ต้องการให้ใครดูหมินเอกมาติกาจบ 2. ทุกมาติกา 1>, 1. โกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธ 2. มักขะความลบหลู่ปราศะความตีตัวเสมอ 3. อิจสาความริษยามัจฉริยะความตรรี 4. ี่มายาความเจ้าเล่สาถยะ ความโอ้อวด 5. อวิชชาความไม่รู้ภวะตันหาความปราถนา พ, พก 6. ภวะทิฏฐิความเห็นว่าเกิดอีกวิภวะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เกิดอีก 7. จสัจ ส, ะสะตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอุดเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์แ อันตวาทิฐิความเห็นว่ามีที่สุดอนันตวาทิฐิความเห็นว่าไม่มีที่สุด๙ปุพพันตานุทิฏฐิความเห็นปรารบส่วนอดีตอปปรันตานุทิฏฐิความเห็นปรารบส่วนอนาคต 10. อหิบริกะความไม่ละอายต่อการประพฤติทุ่จริตอ๑อนตตปะ ความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติทุจริตสิอโทวจัจจสตาความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 12. อนาจฉวะความไม่ซื่อตรงอมัตทวะความไม่อ่อนโยน 13. อขันติความไม่อดทนอโศรจจะความไม่สงเงียม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 ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 17. ศีลวิปติความวิบัติแห่งศีลทิฏฐิวิปติความวิบัติแห่งทิฏฐิ 18. อัจฉรสัญโยชนะสังโยชน์ภายในพระหิทธาสัญโยชนะสังโยชน์ภายนอกทุกกมาติกาจบ สติกะมาติกา834 1. อกุศลมูลพระก้าวแห่งอกุศลสามส อ, อากุศลวิตกความตรึกที่เป็นอกุศล3 3. อกุศลสัญญาการกําหนดหมายที่เป็นอกุศล3าม อกุศลธาตุธาตุ ท, าที่เป็นอกุศลสามห้าทุจริตความประพฤติชั่วสามหกอาสวะสภาวะที่หมักดองสันดาลสามเจ็ดสังโยตกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพสามแปดตัณหาความทยานอยากสามเก้า ตัณหาสามอีกในหนึ่ง 10, ตัณหาสามแม่อีกในหนึ่ง 11, เอสนาความพอใจสา2วิทาสามสิภัยสามสิมะความมืดส15สิบฐ้าติดายตนะชินเกิดของทิฏฐิสาม 16กินจนะกิเลสเครื่องกังบล3 17อังคณะกิเลสเพียงดังเนิน3 18มะละมนทิน3 19วิสมะความประพฤติไม่สม่ำเสมอ3 20วิสมะ3อีกใน1น21อัคคิไฟ3 22กัสสาวะ กิเลสดุดน้ำฝากสามยีสามกรสาวสามอีกในหนึ่งยีสิสีอัศธาทิฏฐิความเห็นผิดที่ประกอบด้วยความยินดีอัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด25อ่อรติความไม่ยินดีวิสเหสาความเบียดเบียน อธรรมจริยาความประพฤติไม่เป็นธรรมยี่สิบหกโทวจัจจศตาความเป็นผู้ไหวา้ยากปาปมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรชั่วนานตัตตสัญญาสัญญาที่แตกต่างกันยี่เจ็อุทธจักระความฟุ้งซ่านโกศชะความเกียจคร้านประมาทะความประมาท 2 8อสันตุติตาความไม่สันโดษอสัมปัญญาตาความไม่มีสัมปัญญามหิตชาตาความมักมากยีิอหิบริกะความไม่ละอายต่อการประพฤติ ท, ทุจริตอนโนตปะความไม่สะดุ้กลัวต่อการประพฤติ ท, ทุจริตประมาทะความประมาท30 อนาทริยะความไม่เอื้อเฟือ้อโทวจัตสตาความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่ว31มสออัทธิยะความไม่เชื่ออวัธัญยุตตาความเป็นผู้ไม่อบอ้อมอารีโกศชะความเกียจคร้าน32อุทชจักความฟุ้งซ่าน อสังวรความไม่สำรวมทุตสีลยะความเป็นผู้ทุทศสีสามิงสอริยนังอทัศนกรรมมยตาความไม่อยากเห็นพระอริยสัตธรรมังอโศตุกรรมมยตาความไม่อยากฟังพระสัตธรรมอุปารัมภจิตตาความคิดแข่งดี 34. มสิบัีุ่ทธัสจะความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนอัดสัมปัญญะความเป็นผู้ไม่มีสัมปัญญะเจตโสวิกเกะเขปะความปุ้งสั้นแห่งจิต 35. อโยนิโสมนสิการความไม่พิจารณาโ ย, ยแยบคายกุมะมัคคเสวนาการยึดถือทางผิด เจตโสลีนัตตะความหดหู่จิตติกะมาติกาจบสี 4. จตุกะมาติกา835 1. อาสวะสภาวะที่หมักดองในสันดาน4 2. คันทะกิเลสเครื่องร้อยรัดใจ4 3. โอคะ กิเลสดุดท่วงน้ำสี่สี่โยคะกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพสี่ห้าอุปาทานความยึดมั่นสี่หกตันอุปาทานความยึดมั่นด้วยตันหาสี่เจ็ดอคคะติขมนณะการถึงอคติสี่แปดวิปริเยสะ การแสวงหาผิด4 9. กอนะเบียโวหารละโวหารของผู้ไม่ใช่พระอริยะ4 1สิบอนะเบียโวหารสอีกในหนึ่งอทุจริตความประพฤติชั่วส 12. ทุจริตสี่อีกในหนึ่ง 13. ภัยส 14. ภัยสีกในหนึ่ง 15ภยัยาสีอื่นอีกในหนึ่ง 16, สิบหกสีอื่นต่อไปอีกในหนึ่งสิทิฏฐิความเห็นผิด4ี่จตุกกะมาติกาจบ5ปัญจกะมาติกา8 36 1. โอรัมภาคียสังโยชต สังโยต์เบื้องต่ำห้าสองอุดทำพาคิยสังโยต์สังโยต์เบื้องสูง 3. ม, มัชชริยะความตรณี5 4. สังฆะกิเลสเครื่องค้องห 5. าห้สละกิเลสดุจลูกศร5 6. เจโตขีละกิเลสดุจตะปูตึงใจห เจตโสวินิพันธะกิเลสเครื่องผูกพันใจห 8. แปดนิวรกิเลสเครื่องกั้นความดีห 9. อนันตรรยกรรมกรรมหนักห10สิบทิฏฐิความเห็นผิด 5. 11สิบเอ็ดเวระความแค้นเคืองห 12. สิบสองพยาสนะความพินาห 5. 13. โทษแห่งความไม่อดทนห 14. ่ภัยห 15. ทิทิฏฐธรร ม, มะนิพพานวาธทะวาธทะวานิพพานมีในชีวิตปัจจุบัน 5. ปัญจกะมาติกาจบ 6. กชักกะมาติกา 837. 1. วิวาธมูลเหตุก่อวิวาทห 2. ฉันทราคะเคหสิตธรรมสภาวธรรมคือฉันทราคะซึ่งอาศัยกามคุณ 3. วิโรธวัตถุหกตันหากายะกองตันหาหก 5. าอคารวะความไม่เคารพหก 6. ปริหานิยธรรมทมเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมหก เปริหานิยธรรม6อีกในหนึ่งแโสมนัสสุ ป, ปวิจารณ์ความครุ่นคิดเกี่ยวด้วยโสมนัสห 9. โทมนัสสุ ป, ปวิจารณความครุ่นคิดเกี่ยวด้วยโทมนัสห 10. อุเปกขุ ป, ปวิจารณความครุ่นคิดเกี่ยวด้วยอุเบกขาห11เคหัสิตาโสมนัสโสมนัสที่อาศัยกามคุณห สิเคหัสิตะโทมณัตโทมนัต ท, ที่อาศัยกามคุณห13เคหัสิตะอุเบกขาอุเบกขาที่อาศัยกามคุณห 14. ทิฏฐิความเห็นผิดหกสกะมาติกาจบ 7. จสตกะมาติกา8ปดอยสา 1. นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่อง7 2. ส, สังโยคกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพเจ็ปริยุท ธ, ธานะกิเลสเครื่องกุ้มรุมใจเจ็ดอสัตธรรมธรรมของคนผานเจหทุจริตความประพฤติ ช, ชั่วเจ็มานะ ความยึดถือตัวเจ็ดเจ็ดทิฏฐิความเห็นผิดเจ็ดสัตตะมาติกาจบ8อัตกะมาติกา8ปดรอยาิกา 39, 1, กิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมองแปดกุศีตะวัตถุเหตุเกิดความเกียรตครานแปด จิตกระทบในโล ก, กธรรมปสี่อนับริยโวหารคำพูดของผู้มีช่ยพระอริยะ8 5. ห้ามิชัตตะความเห็นผิดแปดหกบุรุษโทษโทษของคนแปดเจ็ดอสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาไม่มีสัญญาแปดแปดเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ วาทะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 8. อัตกะมาติกาจบ 9. นวกะมาติกา 8. 4 0ร้อยอาคาตวัตถุเรื่องให้เกิดความมาคาด 9. 2. ปุริสมละมนทินของคน 9. 3. มมานะ ความถือตัวก้าว 4. ตันหามูลกธรรมทรรมที่มีตันหาเป็นมมลก้าว 5. อินชิตะก้าวหมัญญิตะก้าวพันธิตะก้าวปรปปัญจิตะก้าวสังตะก้าวนวกะมาติกาจบ 10. ทศกะมาติกา 1. ปกิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมอง1ิบ 2. อาคาตวัตถุสิ่งก่อความมาฆาต1ิบสาอกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลกรรมสิบสสังโยกกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพสิบหมิจฉัตตาความเห็นผิดสิบ 6. มิจฉาทิธิ มีวัตถุความเห็นผิดมีสิบอย่างสิบอันตักคาฮิกาทิฐิมีวัตถุความเห็นที่ยึดเอาที่สุดมีสิบอย่างสิบทัศกะมาติกาจบ 8.42 ตันหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน18อาศัยอายตนะภายนอก18 รวมเข้าด้วยกันเป็นตัญหาวิจริตรสตัญหาวิจริตรที่เป็นอดีต36ที่เป็นอนาคต36ที่เป็นปัจจุบัน36รวมเข้าด้วยกันเป็นตัญหาวิจริต108ด้วยประการชนีดทิฏฐิ62พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพรหมชาลาสูตรมาติกา หเอกนิเทศแปดร้อยสีบสามบดาเอกมาติกาเหล่านั้นชาติมัท t เป็นฉไนะความเมากริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่เหิม ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยชาตินี้ เ, นเรียกว่าชาติมทะ84แโคตรรรม t h เป็นไนะความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดธงเพราะอาศัยโคตนี้ เ, นเรียกว่าโคตรรรม t h อารโหขยมทะเป็นไนะ ความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุดธงเพราะอาศัยความไม่มีโรคนี้เรียกว่าอารคยามัทะโยพนมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เรียกว่าโยพนมทะชีวิตามทะเป็นไนความเมา ค ว, ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอศศาศัยชีวิตนี้เรียกว่าชีวิตรมทะล า, าธรรมทะเป็นฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยลาภนี้เรียกว่าลาธรรมทะสักการธรมทะเป็นฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่ชูตน เป็นดุดทงเพราะอาศัยสักการะนี้เรียกว่าสักการามัธครุการามทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยความเคารพนี้เรียกว่าครุการามทะปุเรกขารมทะเป็นไฉไรความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยความเป็นหัวหน้า นี้เรียกว่าปุเรกขารามัะปริวารมัะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงพระอาศัยบริวานนี้เรียกว่าปริวารมัะโภคมัะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงพระอาศัยโภคะนี้เรียกว่าโภคมัะ วันนามาทะเป็นฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความยกย่องนี้เรียกว่าวันนามาทะสุตตมาทะเป็นฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยการสดับตรับฟังมากนี้เรียกว่าสุตตมาทะปฏิภาณมาทะเป็นฉไนความเมา ความที risque, exchange, ่จิตต้องการเชิดช um> right? ูตนเป็นดุดธงเพราะอาศัยปฏิพานนี้เรียกว่าปฏิพานมทะรัตัญยุมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่ชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยความเป็นผู้รัตัญญูนี้เรียกว่ารัตัญยุมทะปิณฑปาติกะมทะเป็นไนความเมา ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้ถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนี้เรียกว่าปิณฑปาติกามัะอนาวัญญาตามัมมะทะเป็นไฉไรความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความที่ไม่มีใครดูหมินนี้เรียกว่าอนาวัญญาตามัมมะทะ อิริยาบถธรรมะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยอิริยาบทนี้เรียกว่าอิริยาบถธรรมะอิทธิมัะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฤทธิ์นี้เรียกว่าอิทธิมัธญาสมาะเป็นไนความเมา ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพระอาศัยยศนี้เรียกว่ายาสมัทะศีธรมทะเป็นไฉไรความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพระอาศัยศีลนี้เรียกว่าศีลมทะชานมทะเป็นไฉไรความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชาณนี้เรียกว่าชานมทะ สิบปรมมทะเป็นฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจทงเพราะอาศัยศิลปะนี่เรียกว่าสิบปมมทะอโรหมทะเป็นฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจทงเพราะอาศัยความเป็นผู้มีทวดธงสูงนี่เรียกว่าอารโรหมทะปรินาหมทะเป็นฉน ความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยความมีทวดทงสันทัศนี้เรียกว่าปรินาหามทะสันธานามทะเป็นไฉไนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงเพราะอาศัยความมีทวดตรงงามนี้เรียกว่าสันธานามทะปริปูริมทะเป็นไฉไน ความเมากริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิ่อชูตนเป็นดุดธงความเห่เหิมความที่จิตต้องการเชิ่อชูตนเป็นดุดธงเพราะอาศัยความมีร่างกายสมบูรณ์นี้เรียกว่าปาริปุริมาทะ845 มัธเป็นฉไฉไรความเมากริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุดทงความเหม่เหมิมความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุดทงนี้เรียกว่ามัธแปดร้สี 6. ประมาทะเป็นฉไฉไรความปล่อยจิตไป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 ความไม่มันประกอบความประมาทในการเจริญภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าประมาทะ4 7รธรรมะเป็นฉไนะความหัวดือ้อกิริยาที่หัวดือ้อภาวะที่หัวดือ้อความแข็งกระดา้างความหยาบคาย ความเป็นผู้มีจิตแข็งกระด้างความไม่อ่อนโยนนี้เรียกว่าธรรมพะ848สารัมพะเป็นฉไนะความแข่งดีความแข่งดีตอบกริยาที่แข่งดีกริยาที่แข่งดีตอบภาวะที่แข่งดีตอบนี้เรียกว่าสารัมพะ849 อติริษฐตาเป็นฉนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของภิกษุผู้ไม่สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเภสัชบริขารหรือด้วยกามาคุณหาตามมีตามได้ความอยากได้ความปรารถนาความอยากได้เกินประมาณความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอติริจชะตา850หิมหิจชะตาเป็นฉไนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของภิกษุไม่สันโดษดิจีวรบินธบาตเสนาสนะและกีรานปัจจัยเภศัชบริขารหรือด้วยกามาคุณห้าตามีตามได้ความอยากได้ความปรารถนาความอยากได้เกินประมาณความกำหนัด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 เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสุตะน้อยปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีสุตตะมากเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้เกตคร้านปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีบำเพ็ญเพียร เป็นผู้มีสติหลงลืมปราถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตใจไม่เป็นสมาธิปราถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิเป็นผู้มีปัญญาตามปราถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสะวะปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้สิ้นอาสะวะความอยากได้ความปรารถนาความปรารถนาลามกความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าปาปิชตา852สิงสิงฆะเป็นฉไฉน ความยั่วยวนความน่ารักความสวยสงาความเพลิดเพลิงความมีเสน่ห์ความเฉยเลนี้นเรียกว่าสิงคะแปด้าสิตินตินะเป็นไฉนะการพูดเกียรตกิกันกริยาที่พูดเกียรติกันภาวะที่พูดเกียรติกันความละโมบกริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบความถ่อมตนเพื่อที่จะได้ ความต้องการสิ่งที่ประนีตนี้เรียกว่าตินตินะ854จาประยะเป็นฉไนะการตกแต่งจีวรการตกแต่งบาทการตกแต่งเสนาสนะการประดับร่างกายที่เปือยเน่านี้หรือบริขารภายนอกการประเทืองผิว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 ความไม่ยำเกรงในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ที่ควรเคารพเช่นมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวอาจารย์อุปัชฌาย์พระพุทธเจา้าหรือพระสาวกนี้เรียกว่าอาสภาควุติ856อารติเป็นฉนหะนความไม่ยินดีกริยาที่ไม่ยินดี ความไม่ยินดียิ่งกิริยาที่ไม่ยินดียิ่งความรำคาญความกระบวนกระวายใจในเสนาสนะที่สงัดหรือในสภาวะธรรมที่เป็นอธิกุศลคือสมถะและวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าอารติก8 7ตันทีเป็นไนความง่วงซึมกิริยาที่ง่วงซึม ภาวะที่ง่วงซึมความเกียจคร้านกิริยาที่เกียจคร้านภาวะที่เกียจคร้านนี้เรียกว่าตันที8ปดวิชัมพิตาเป็นไนะความบิดกายกิริยาที่บิดกายการโน้มกายไปข้างหน้าการโน้มกายมาข้างหลังการโน้มกายไปรอบรอบการตั้งกายให้สูงขึ้น ความไม่สำราญทางกายนี้เรียกว่าวิชัมพิตาแปดรพัตตสัมมทะเป็นฉไฉไรความเมาเพราะอาหารความอึดอัดลาบากเพราะอาหารความเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะอาหารความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหารของผู้รับประทานอาหารแล้วนี้เรียกว่าพัตตสัมมทะ แปดหกสิบเจตโสลีนตะเป็นฉไนความไม่คล่องแห่งจิตความไม่ควรแก่การงานแห่งจิตความทอ้อแท้ความถดถอยความหดหู่กริยาที่หดหู่ภาวะที่หดหู่ความทอ้อถอยกริยาที่ทอ้อถอยภาวะที่จิตทอ้อถอยนี้เรียกว่า เจตโสลีนัตตา6ป1ร้หกสูหนาเป็นฉไนความหลอกลวงด้วยการเสพปัจจัยความหลอกลวงด้วยการกระซิบในที่ใกล้หรือการวางท่าทางอิริยาบถกริยาที่วางท่าทางอิริยาบถความดำรงอิริยาบถด้วยดีการปั้นสีหน้าภาวะที่ปั้นสีหน้า ความหลอกลวงกริยาที่หลอกลวงภาวะที่หลอกลวงของภิกษุผู้มุง่งลาบสการะและชื่อเสียงผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่ากุหนา862ลับปนาเป็นฉไนการทักทายผู้อื่นการพูดแนะนำตนเองการพูดปลอบโยนการพูดยกย่อง การพูดยกย่องให้สูงขึ้นทุกส่วนการพูดเอาใจใส่คนอื่นการพูดเอาใจคนอื่นบ่อยๆการพูดแนะนำการพูดแนะนำบ่อยๆการพูดยกย่องเพื่อต้องการจะให้เขารักการพูดทำตนให้ต่าลงการพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่วการรับเลี้ยงเด็กของวภิกษุผู้มุ่งลาบสการะและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าลับปนา 863. เนมิตติกตาเป็นไฉนการทำนิมิตความฉลาดในการทำนิมิตการพูดเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยการพูดเป็นเลสในการพูดเรียบเคียงชนเล่าอื่น ของภิกษุผู้มุ่งลาบสการะและชื่อเสียงผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าเนมิตตติกตา864ินิปเปศิกตาเป็นไนะการดา่าการพูดขม่มการพูดนินทาการพูดตำหนิโทษการพูดตำหนิโทษหนักขึ้นการพูดเหยียดยาม การพูดเยียดยามให้หนักยิ่งขึ้นการพูดให้เสียชื่อเสียงการพูดให้เสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงการนำเรื่องเที่ยวไปประจานการพูดสันเสริญต่อหน้านินทารับหลังของภิกษุผู้มุงลาบสการะและชื่อเสียงผู้ปราถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าน e ิเปสิกตา 865. ลาเพนลาพังนิชิคีสาน ต, ตาเป็นฉันภยพิจูผู้มุงลาบสการะและชื่อเสียงผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนำอาทธิ์ที่ได้จากข้างนี้ไปให้ข้างโน้นหรือที่ได้จากข้างโน้นไปให้ข้างนี้การแสวงหาการเสาะแสวงหา การสาะแสวงหาบ่อยๆกิริยาที่สแสวงหากิริยาที่สาะแสวงหากิริยาที่สาะแสวงหาบ่อยๆซึ่งอามิตรด้วยอามิตรมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าลาเพนลาพังนิชิกีสะนตา 866. ความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นชะไหน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 ความน้ำพองตนความทนงตนการเชิดชูตนเป็นดุจธงความเหอเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี่เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา 8.67 ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขาเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาต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 ความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา868ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดย โ, โดยคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล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 ความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา869ดพเาเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่นโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือ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 กิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหอมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขาแปดร้อยเจ็ดสิบเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาเป็นไฉน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 เขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆเช่นนี้แล้วถือตัวความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเหม่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิศเปล่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา แปดเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะ โดยวิทยฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณเขาอาศัยความถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่นเช่นนั้นแล้วดูหมิ่นตนความดูหมิ่นตนกริยาที่ดูหมิ่นตนภาวะที่ดูหมิ่นตนความเกลียดตนกริยาที่เกลียดตนยิ่งภาวะที่เกลียดตนอย่างยิ่งความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา8ปดอเจ็ิบเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิศ ก, กว่าเขาเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิศ ก, กว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคต โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลเขาอาศัยความถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจทงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจทงมีลักษณะเช่นว่านี้นี่เรียกว่าเป็นผู้เสมอเขา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 ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถนงตนความเช่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี่เรียกว่าเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขา8ปดเจสบเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเป็นฉไน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าได้กว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลเขาอาศัยความถือตัวว่าได้กว่าคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วดูหมิ่นตนความดูหมิ่นตนกริยาที่ดูหมิ่นตนภาวะที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตนกิริยาที่เกลียดตนยิ่งภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างยิ่งความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา875เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิดกว่าเขาเป็นฉไน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 ความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา8ปดพันเจ็เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาเป็นไฉบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดย โ, โดยคตโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล เขาอาศัความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัวกิเลสที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุดธงความเหอ่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุดธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้ได้กว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา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 ที่ดูหมิ่นตนความเกลียดตนกริยาที่เกลียดตนภาวะที่เกลียดตนความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา878มานะเป็นชนะความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัว ความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงนี้เรียกว่ามานะแปดร้ 79, อยเจสิบก้าติมานะเป็นฉไนะบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหม่นคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่เหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอติมานะ8ปดมานาติมานะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เบื้องต้น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 โดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณความดูหมิ่นตนกิริยาที่ดูหมิ่นตนภาวะที่ดูหมิ่นตนความเกลียดตนกิริยาที่เกลียดตนภาวะที่เกลียดตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโอมานะ 8ปดอธิมาณะเป็นฉไนความสําคัญทำที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าบรรลุแล้วความสําคัญกิจที่ตนยังไม่ได้ทําว่าทํำแล้วความสําคัญทำที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าบรรลุแล้วความสําคัญทำที่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งว่าทําให้แจ้งแล้วความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตน ความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอธิมานะ8 8ดอิัตมิมานะเป็นฉไฉไนความสำคัญว่าเราเป็นรูปความพอใจว่าเราเป็นรูปความเข้าใจว่าเราเป็นรูปความสำคัญว่าเราเป็นเวทนา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 นี้เรียกว่าอัศมิมาณะแปิบสามาณะเป็นฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาโดยปฏิพานโดยศีลโดยพรดโดยศีลและพรดหรือโดยทิฐิอัลลามก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 ความดัมบลิผิดที่อาศัยเรือนปรารบหมู่ยาดนี่เรียกว่ายาติวิตักกะ8ปดชนะปัทถวิตักกะเป็นฉนะความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดัมเิผิดที่อาศัยเรือนปรารบชนบทนี่เรียกว่าชนะปัทถวิตักกะ887 อมรวิตกกะเป็นไ น, นความตรึกความตรึกโดวอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนประกอบด้วยทุกกระกิริยาหรือประกอบด้วยทิฏฐินี่เรียกว่าอมรวิตกกะ888ปรานุทยตาปฏิสังยุตตวิตกกะเป็นไ น, นสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้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 ในเพราะการอยู่คลุกคลีด้วยคฤหัสนั้นนี้เรียกว่าปารานุทยตาปฏิสังยุตตวิตักกะ889ราลาบสการะสิโลกปฏิสังยุตตวิตักะเป็นฉไฉไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริผิดที่อาศัยเรือนปรารบลาบสการะและชื่อเสียง นี้เรียกว่าลาบสการะสิโลกะปฏิสังยุตตวิตะกะ890อนวันยติปฏิสังยุตตวิตะกะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้รำพึงว่าคนเหล่าอื่นอย่าได้ดูหมิ่นเร่าโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล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 อนะวันญัติปฏิสังยุตตะวิตกะเอกานิเทศ